เพราะฉะนั้นเนี่ยการขี่จักรยานก็เป็นวิธีการที่สะดวกนะไปไหนมาไหนถ้าขี่จักรยานก็ถึงที่หมายได้เร็วนะแล้วก็รัฐบาลหรือว่าหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเขาก็หาที่อำนวยความสะดวกให้กับรถจักรยานได้เยอะแยะเช่นมีอ่าบินะ๊เลนทางจักรยานโดยเฉพาะขณะที่การขับรถนี่นะเหมือนกับว่าจะมีปัญหามากมาย ทั้งค่าน้ำมันทั้งค่าจอดรถนะค่าจอดรถนี่แพงมากเนี่ยมีคนไทยไปจอดรถนะหน้าบ้านเพื่อนนะออกมาอีกทีโดนปรับไปนะสามพันกว่า บ, บาทนะประมาณเจ็ดสิบยูโรนะเจ็ดิยูโร80ดิยูโรก็3 0 0พันกว่า บ, บาทนะไม่กี่ชั่วโมงเองโอนะ้แค่เดยกันเนี่ยเขาก็มีค่านิยมที่ไม่ไม่ค่อยอวดรำ่ำอวดรวยกันนะคนยุโรปเนี่ย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 ไอ้ประเภทว่ามากินนอกบ้านนะไปกินอาหารกลางวันตามพัตคาหรือว่าแม้กระทั่งในโรงอาหารของบริษัทนี่เขาก็ไม่ค่อยทํากันเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่มีเงินเดือนสูงนะเพื่อตามานี่เป็นวิศวกรของ GM นะใหญ่มากนะเวลาไปกินเวลากินอาหารกลางวันก็ทํากับข้าวจากบ้านไปแล้วก็ไปกินกันกินในสำนักงานนั่นแหละนะ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 ในงานก็จะโดนรถจักรยานชนแล้วก็แปลนะ่ะคนที่นั่นเขาก็ไม่เคยใช้กลิ่นเท่าไหร่นะเขาไม่เคยใช้กลิ่นนะจกกักรยานเนี่ยเวลาเขาเวลาเขาจะหลบคนนี่เขาก็เพียงแต่เขาไม่ใช่เขาไม่กดกลิ่นนะเขาก็เพียงแต่เบี่ยงเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวานะแต่ถ้าคนไทยเนี่ยไปที่นั่นเนี่ยไม่ไม่ระวังนี่ก็อาจจะโดนชนได้นะแต่ว่าถ้าอยู่ไปน า, นานๆก็จะคุ้นเคยนะ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 แล้วก็ที่มีก็มักจะไม่ได้รับการเคารพนะอย่างเช่นในกรุงเทพเนี่ยมีมีไบค์เลนอยู่นะแต่ว่าบางทีก็มักจะมีรถประจอดพอไปจอดเข้ามันก็ใช้ไม่ได้สินะถ้าจะเข้าถนนใหญ่ก็อันตรายนะประโยชน์ของจักรยานอะันหนึ่งที่ทำให้คนนิยมใช้ก็คือมันปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะนะ เดีย๋ยวนี้มลภาวะนี่เป็นเรื่องที่คนในยุโรปนี่เขาให้ความสำคัญมากนะการใช้ไฟฟ้าก็พยายามที่จะใช้โซลาเซลล์กันให้มากนะการที่จะใช้น้ำมันเผ า, เ พ, าเพื่อทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้าหรือว่าใช้โรงงานนิวเคลียร์นะเขาก็เลิกใช้กันแล้วอย่างเช่นในเยอรมันนี่เขาก็งดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะ งดใช้ไฟฟ้าจากพลังนิวเคลียร์ก็คือพอมันหมดอายุก็ไม่ต้องสร้างแล้วเราก็ไม่ต้องอพอไม่มีสร้างใหม่แล้วของเก่ามันก็หมดอายุนะก็เป็นกัรว่าหยุดใช้พลังงานนิวเคลียร์ก็มาใช้พลังงานลมมาใช้พลังงานจากสิ่งแวดล้อมทางอื่นนะอันนี้มันก็เป็นเป็นประโยชน์นะกับผู้คนนะที่ได้อาศัยธรรมชาติที่ ปลอดภัยสะอาดนะเมืองไทยเราเนี่ยก็ไปดูงานกันเยอะนะจากประเทศยุโรปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้พลังงานทางเลือกหรือว่าการแก้ปัญหาน้าท่วมอย่างฮอลแลนด์เนี่ยนะเขาเก่งมากในเรื่องการแก้ปัญหาน้าท่วมเพราะว่าประเทศเขาเนี่ยมันอยู่ต่ากว่าระดับน้าทะเลคลองเนี่ยนะหลายคลองเลยนะมันอยู่เหนือหัวคนนะบางทีเดินไปเดินไป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 ฮอลนันนี่เป็นประเทศที่เจริญมากนะเจริญมาสามสี่ร้อยปีแล้วแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเขาไม่ทุบไ ม, ไม่ไม่ถมคลองนะกรุงเทพของเราเนี่ยพอเจริญเข้าเจริญเข้าเป็ น, นยังไงถมคลองนะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ไม่เหลือคลองลนะสีลมแต่ก่อนนี่ก็เป็นคลองนะถึงชื่อว่าสีลมก็คือลงสีลมอ่ะลงสีมันอยู่ริมคลองเป็นลงสีที่ใช้ลมเนี่ยนะหมุนนะเดี๋ยวนี้หาคลองไม่เจอหลายหลาย